เพื่อรวบรัตอีกเช่นกันขอสรุปว่าศีลสําหรับพระภิสุทโ์นั้นพระอัตฐกถาจารย์ประมวลเข้าและจัดเป็นประเภทได้สอย่างเรียกว่าปาริสุทธิศีลคือศีลเครื่องให้บริสุทธิ์หรือความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีลสี่ประการคือหนึ่งปาติโมกสังวรศีลศีลคือความํารวมในพระปาติโมเว้นข้อห้ามทําตามข้ออนุญาต ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลายท่านว่าศีลข้อนี้รักษาสำเร็จด้วยศรัทธา 2. อ, อินสียสังวรศีลศีลคือความสำรวมอินรีระวังไม่ให้บาปอากุศลธรรมเช่นความชอบชังติดใจหรือขัดใจครอบงำเมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินรีทั้งหกคือเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสิ่งกระทบและใจ รู้คิดเรื่องราวต่างๆท่านวาศีลข้อนี้สำเร็จด้วยสติ 3. อาชิวะปาริสุทธิศีลศสีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชิวะได้แก่เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบธรรมบริสุทธิ์ไม่ประกอบการสแสวงหาในทางที่ผิดเช่นไม่พูดอวดอุตริมนุสธรรมคือฌานวิโมกสมาธิสมาบาัตมรผลนิพพานที่ไม่มีจริงในตน และไม่ออกปากขออาหารเพื่อตนเองบริโภคโดยไม่ได้เจ็บไข้เป็นต้นไม่กระทํากุหนาคือการหลอกลวงเช่นปั้นแต่งท่าทางหน้าตาเคร่งครัดให้เขาเลื่อมใสถวายปัจจัยสไม่กระทําลับนาคือประจบเขากินไม่กระทํานิมิตคือเล็ดในเลียบเคียงต่างๆให้เขาถวายปัจจัยไม่กระทํานิเปสิกตาคือคู่เข็นกลั่นแกล้งเพื่อให้เขายอมถวายปัจจัย และไม่เอาลาบต่อลาบเช่นให้ของน้อยแก่เขาไปเพื่อว่าเขาจะได้ถวายมากตอบมาเป็นต้นท่านว่าศีลข้อนี้สำเร็จด้วยวิริยศ 4. ปั จ, จัยสันนิสิตศีนศีนที่เกี่ยวกับปั จ, จัยสีได้แก่ปั จ, จัยปัจเจเวกหรือปัจเจยะปัจเจเวกขณะคือใช้สอยปั จ, จัยสีด้วยพิจารณาให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆ ไม่บริโภคด้วยตันหาเช่นฉันอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้สุขภาพดีมีชีวิตผาสุกทำกิจได้สบายช่วยให้มุ่งไปได้ในไตรสิขาไม่ใช่เพื่อปรนเปลอหรือสนุกสนานมัวเหมาท่านว่าศีลข้อนี้สำเร็จด้วยปัญญา